พระธรรมเทศนาลำดับที่เจ็ดโดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าพระพุทธองค์โปรดปันจวัวคีนวันนี้ตรงกับวันที่สิบสองกรกดาคมพุทธศักราช2554ห้าห้าสิบสวันที่สิบหกกรกดา ห้สี่อีกไม่กี่วันข้างหน้าเป็นวันอัสรหบูชาเป็นวันเข้าพรรษาต่อไปแรมค่าหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาขึ้นสิบห้าค่ำเป็นวันอัสรหบูชาวันอัสรหบูชาเป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาจากนี้ไปก็ไม่กี่วันสิบสองสิบสาสสี่สิบห้าก็ใช่แล้วเป็นวันพระ เป็นวันอัสารหะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าไปโปรดปัญจวัคีวันอัสารหะนี่ก็คือวันที่พระพุทธเจ้าไปโปรดปัญจวัคีปัญจวัคีทั้งห้าได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาแต่ก่อนมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระ <Abs> <laten> พระธรรมพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกได้ตัดสรู้ได้ตัดสรู้พระธรรม ในเมื่อพระองค์ได้ตัดจรู้พระธรรมแล้วพระองค์ก็ได้เสวยความสุขหรือว่าเสวยเนีความสุขที่อกพอะระองคไ์ได้ตัดจรูปคล้ายๆว่าได้บรรลุธรรมได้ตัดจรูุธรรมแล้วก็อยู่สวยวิมุตติสุขเนีความสุขทางด้านจิตใจที่พระพุทธองค์ได้ชนะกิเลสโลภโกรดหลงเนีเหมือนกับ น, นักมวยเอกแต่ก่อนมีแต่คู่ต่อสู้แต่บัดนี้น็อก ขู่ต่อสู้ทุกตัวที่ว่าเก่งๆที่เราสู้ยากๆตัวกิเลสโลภ์หนึ่งโกรธหนึ่งหลงหนึ่งลาค้าหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งเออมีแต่ตัวเป่งๆโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวราคะเพราะพระองค์ในนกกิเลสเหล่านั้นลงกับพื้นแล้วมองไปที่ไหนไม่มีกิเลสตัวไหนจะมาต่อกอนได้อีกเป็นผู้ชนะเออไม่ต้องว่าสิบทิศร้อยทิศพันทิศหมื่นทิศ แสนทิพมาทางไหนชนะหมดเพราะพระ อ, องค์ชนะกิเลสภายในภายในภายในประทไทยของพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์ก็มองไปที่ไหนไม่มีศัตรูคู่ต่อสู้ได้อีกแล้วเป็นผู้ชนะโลกวิถีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ชนะหมดทุกอย่างแล้วพระ อ, องค์เลยเฉลิ้ม ว, วิมุตติสูงคือแค่ว่าภูมิใจได้ภูมิพระทศไทย ในการในสำเร็จของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็พักตามมัธยาสายเมื่อได้ตัดรูแล้วได้ตัดรูแล้วอยู่ที่คโครนต้นโพ7เจ็ดวันอยู่ที่ต้นไซคโครนต้นไซเจ็ดวันอยู่สะมุดจรินเจ็ดวันแล้วก็อะไรสองสี่แห่งผลที่สุดก็จากนั้นพระ อ, องค์ก็ ว่าทำรรของพระ อ, องค์ได้ตัดจรูนี่เป็นของลึกซึ้งเป็นของละเอียดถ้าเราจะไปประกาศสอนให้แก่ใครคนเหล่านั้นเขาคงจะไม่เชื่อเพราะว่าธรรมะของเราที่ได้ตัดจรูนี้เป็นธรรมะที่ทวนกระแสของโลกโลกเขาเนี่เขาชอบอีกอย่างหนึ่งตามไหลาตามกระแสน้ำแต่ธรรมะของเราเนี่ยทวนกระแส กระแสอย่างไรก็คือพวกโวกทั้งหลายเขาเห็นว่าร่างกายสังขารสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศตรงข้ามสวยงามแต่พระพุทธองค์บอกว่า <c oughs> เป็นพยามารตันหาลาคะอรดี <c oughs> เป็นพยามารของพระองค์แล้วก็จะเป็นของอะไรในร่างกายของตัวเอง ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมหอยใจตับผังผืดอาการศาบสิบสองในร่างกายพระองค์กว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ของกีรังยัทักทาวรไม่ของไม่ใช่ของกีรังมั่นคงอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกตายสลายแน่ลงสู่ดินน้ำลมไฟร่างกายของเรานี่มีธาตุสีคือธาตุดินคือกระดูกนี่คือธาตุสีของแข็ง ถาดน้ำก็คือพวกน้ำเลือดน้ำปัสสาวะน้ำไขมันที่มีจังหวะเป็นน้ำก็กเป็นถาดน้ำถาดลมก็ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในลำไส้อันนี้ว่าถาดลมถาดไฟก็คือทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ในร่างกายของเราร่างกายของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยคือมีถาดสีไปชุมกัน อยู่ได้แต่าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งร่างกายก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นร่างกายของมนุษย์หนึ่งเป็นอยู่ด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ของจิรังถาวร อ, อีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนมันจะต้องแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟมันต้องกลับไปสู่สภาพเริมของมันพระองค์พิจารณาดูแล้วว่าร่างกายสังขารไม่ใช่ของเสร็จสวยงดงามเป็นยังไงอวัยวะของเราเกสาผม ถ้าผมหล่นลงมาใส่อาหารการบริโภคแล้วเป็นยังไงถ้ามันหลุดออกมาจากศีรษะเราแล้วสวยไหมขนก็เหมือนกันอถ้ามันหลุดออกมาแล้วเป็นยังไงสวยไหมเล็บถอดออกมาแล้วทิ้งไหมดูแล้วมันสวยไหมฟันอยู่ในปากของเราถ้ามันหลุดหล่นออกมาแล้วสวยไหมหนังตลกออกไปแล้วกองไว้กับพื้นเอแบนไว้กับพื้นหนังมนุษย์หนังบัวหนังควายหนังมนุษย์สวยไหม อันนี้คือพระพุทธองค์ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายสังขารนี้มันไม่ใช่ของกิรังถาวรไม่ใช่ของสวยงามนี่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้จากนั้นท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายใจของพระองค์ก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นท่านเอาชนะกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างเด็ดขาดจากนั้นพระองค์จึงได้สเสวยวิมุตติสุข อยู่ที่ต้นโพต้นไทรอย่างที่ว่ายัดทีละเจ็ดวันเจ็ดวันจากนั้นพระองค์ก็ได้ว่าทรรมที่เราได้เนี่เราจะไปประกาศไปบอกไปกล่าวให้แก่ใครเนอะฟังแต่นึกดูละโอหน้า ท, ท้อใจท้อพระไทยในที่จะประกาศทรศษธรรมประกาศพระศาสนาหรือประกาศทำคำสอนให้แก่คนอื่นฟังเพราะคนอื่นเขาอาจจะไม่ฟังอาจจะไม่เชื่ออีกต่างหากเพราะใจของมนุษย์ ชาติแต่มันไหลไปทางต่ําแต่ธรรมะที่เราได้ตัสจรู้เนี่ยมันย้อนเออมันย้อนเอ่มันเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเลยเออเหมือนกับแยกส่วนแบ่งส่วนออกแล้วมันไม่เห็นจกสวยงามที่ตรงไหนแต่มันอยู่กับร่างกายของเราแล้วมนุษย์เออเต็มไปด้วยกิเลสมันหลงเออหลงราคะราคะโทสะโมหะหลงราคะนั่นะ เห็นเพศตรงข้ามกันมาแบว่าสวยเสร็จสวยงดงามไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าหญิงว่าชายเนีชายก็หลงหญิงหญิงก็หลงชายลักษณะอย่างนั้นอ่ะพระธองค์บอกว่าแต่ขนาดร่างกายของเราเราพิจารณาดูร่างกายของเราแล้วเขากับเรามันเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอันไหนสวยอันไหนงามนี่พระองค์ได้พิจารณาเพ่งพินิกอยู่จากนั้นใจของพระองค์รวมสงบจากนั้นก็พิจารณา ทางวิปัสสนาเดินวิปัสสนาเห็นตามความเป็นจริงจากนั้นพระองค์ก็เห็นอนไรจังทุกของอังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจของพระองค์ก็หลุดพ้นจากอาส ว, วัคคเลศอย่างวาดจางนั้นพระองค์ก็จะไปเทศให้แก่ใครฟังท้อประไทยท้อประไทยในในการประกาศในการแสดงธรรมแนะนําสั่งสอนคนอื่นกลัวคนอื่นจะไม่เข้าใจกลัวคนอื่นจะเอปฏิเสธ จากนั้นพระ อ, องค์จะทํำยังไงเมื่อเขาปฏิเสธพระ อ, องค์ก็พยายามสอนให้เขาเขาก็ยิ่งปฏิเสธเพราะเขาไม่รับฟังพระ อ, องค์ก็เหนื่อยเปล่าเอาเถอะเมื่อเราได้ตัดสั่งแล้วเราไม่ต้องสอนใครจุดนี้แหละคือท้อประทยจากนั้นพรมพรมจะได้มากราบประรัธนาอยูพรมมาเจโลกาขอกราบประรัธนา พ, พระพุทธองค์ได้โปรดเว น, นยัยว์โดยเทิน ผู้มีธุลีดวงตาจะเห็นธรรมมีอยู่ผู้ใดบอมเพนมาบารมีมาแก่กล้าแล้วมีอยู่ไอ้ผูกปัญญาหยาปัญญาหนาก็มันก็มีอยู่ในโลกเนี่แหละแต่ผู้มีปัญญาบางเบาบางมันมีอยู่ขอพระองค์โปรดผู้มีปัญญาอันเบา บ, า, บางด้วยเถินผมอภรัตนาพราะพุทธองค์ก็เออใช่เราก็เป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เป็น ผู้วิเศษเป็นเทวดาอะไรเราก็คิดได้คนอื่นก็น่าจะคิดได้อย่างเราถ้าเราไม่ได้ทาซะเลยแล้วก็ตีพวดไปเลยว่าเขาไม่รู้อย่างนั้เลยคงจะไม่ถูกต้องเพราะนั้นเมื่อเรารู้ได้เมื่อเราแนะนำในทางที่ถูกต้องเขาก็คงจะรู้ได้อย่างเรานะพระองค์ก็มีแก่จิตแก่ใจจึงหันในพระไทยอย่างที่พร้มออกาศ ราธนาจากนั้นพระองค์ก็เพ่งไปทางดาบททั้งสองคนที่ท่านเป็นอาจารย์ของของท่านก่อนหน้านั้นแต่อาจารย์สองคนท่านท่านเป็นผู้หนักแน่นในในฌ า, านในญาณในสมาธิแต่ท่านไม่ได้เดินปัญญาพระองค์จึงขอลาท่านออกมาบาเพ็ญตามลำพังแต่เรื่องฌานเรื่องญาณและทัศนะเรื่องสมาธินั้นท่านเก่งมาก จากนั้นพอเพ่งไปพิจารณาไปทราบว่าท่านมรณะภาพแล้วขึ้นไปเกิดเป็นพรหมแล้วไปเกิดเป็นพรหมเมื่อท่านตายไปแล้วเนี่ยพระพุโองค์ก็หันกลับไปทางอื่นแล้วจะไปโปรดใครท่านจึงหันไปทางปัญจวัคคีย์ทั้งห้าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าอยู่ที่ไหนก็ห่างจากพระ อ, องค์ไปไกลพอสมควรอยู่กรุงพาราณสีป่าอิสิสปตนะมิกทายวัน แต่จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้เดินทางไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพอไปถึงเนี่ยวันอาสารหับูชาเนี่ยพระ อ, องค์ได้โปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเทศทรมาจากกัปวัตนสูตรจนพระัญญาโกณทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นท่านแรก ค, อคอือัญญาสิวุตรโพโกณทันโยพระอองค์ตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น เกิดมาแล้วสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างต้องดับตรงเป็นเป็นธรรมดาสรุปแล้วก็คือพระพุทธองค์ให้เห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็ต้องตาย ม, มีมีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไปได้นี่ที่ปัญญากรนยะได้ยินได้ได้ไดรับธรรมเพียงแค่เท่านั้นท่านก็ได้สําเร็จพระโสดาบัน เ, เมื่อได้สําเร็จพระสดบันพระองค์ก็บอกเอ อ, อัญญาสิวุตถุกัตุโภกโกลทันอยูโกลทัญยะรู้ทำแล้วหนอเห็นธทำแล้วหนอคือไม่เปล่าประโยชน์จากนั้นพรปัญญาโกลทัญยะก็ขอบวชออกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อนุญาตอนุญาตให้พระัญญ า, ญาโกลทัญยะบวช เอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วอันนี้ก็คือพรปัญญากลอันยะบวชเป็นองค์แรกในวันอสารหบูชาคือวันสิบห้าคำที่จะถึงเนี่ยเพราะนั่นถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งวันอสารหบูชาคือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปะที่ปัญญากลยัญญะ บวชเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วได้ตัดสรูพ้พระธรรมแล้วได้นําพระธรรมมาประกาศให้แก่ปัญจวคัคคีปัญจวัคคีเกิดความเคารพนับถือเรื่อมใสขอบวชจึงมีพระสงฆ์จึงมีพระสงฆ์งงขึ้นมาพระสงฆ์อุบัติขึ้นในในโลกวันแรมวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดเพราะฉะนั้นจึงว่า พระไตรสระคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บริบูรณ์คือวันเดือนแปดเพนถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งที่ว่าเป็นวันอาสระบูชาเนะเพราะนั้นพวกเราที่เป็นพระใหม่ที่ยังไม่ได้เรียนรู้ก็ให้เข้าใจที่ลุงพ่อได้กล่าวให้ฟังทางลุงพ่อไม่กล่าวพวกเราก็คงจะไม่รู้เหมือนกันนะนี่แหละอันนี้คือวันอาสระบูชาสาคัญชไหน จากนั้นพระองค์ก็ได้โปรด อ, องค์ต่อไปอพัติยะมหานามอจจชิโกุลธั ญ, ญวปะพระพัิยะมหานามาจจชิกุลธัะวปะพิยะนะพัติยะนามาจจชิสี่องค์ท่านกบเทศอนัตนตะกานัสสเพิ่มเข้าอีกให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา จากนั้นทางก็ไตรสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ทั้งห้าท่านนี่แหละอันนี้คือพระพุทธศาสนาความเป็นมาเพราะนั้นพวกเราพระใหม่ทุกองค์ที่เขามาปวดในคราวนี้ก็ให้ตั้งอกตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกให้ปลูกศรัทธาถ้าคนผู้มีอุปนิสัยเก่า พอได้ยินพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้สนใจเป็นผู้ตั้งใจฟังศึกษาคือไม่หันไม่หันตะแคงข้างให้ว่าไงไม่หันหลังให้ตั้งหน้าฟังว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไหนสั้นสอนเรื่องอะไรท่านสอนหลักเหตุผลรู้จักรู้จักดีรู้จักชั่วอันสิ่งไหนควรมิควรอย่างไรทำคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าว่าผู้มีอุปนิสัยแล้วพอได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกท่านนะเออก็ทราบทราบไปทั้งร่างกายกจิตใจแต่เราผู้ที่ไม่มีอุปนิสัยก็อย่างว่างได้ยินแล้วก็เฉย เ, เพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้คิดแต่ผู้มีอุปนิสัยเก่าแก่แกดึกดาบันเคยบำเพ็ญในพระพกเกตเจ้าในอดีต แต่ยังไม่ได้สำเร็จมักสำเร็จผลแต่พอมาเกิดมาพบนิชชานี้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันสืบเนื่องมาแต่อดีตชาติมันต่อเนื่องกันมาเราก็จะไ ด, ได้พอได้ยินแล้วก็พอใจภูมิใจว่าถูกต้องตามหลักเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยศึกษาดูแล้วฟังดูแล้วมีเหตุผลอันนี้เรายอมรับเลยอย่างพระมหากบิน พระมหากระวินเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเขตแคว้นของอินเดียสมัยนั้นท่านก็มีบริษัทบริวารเข้มแข็งเข้มข้นลักธาสาประเทศชาติของท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินหนุ่มไปที่ไหนก็มีบริษัทบริวารห้อมรอ้อมมีทหารลาดตระเวนประเทศชาติของตนเองแต่นี้ท่านก็เห็นพ่อค้า พอค้าขายสินของไอ้ค้าว่าผ่านมาจากกรุงราชคฤห์กรุงสวัสถ์ถีพอค้าเกวีนขายของพระเจ้าแผ่นดินมหากหระินท่านก็ถามเอยพอค้าอยูอ่ทางนู้น่ะที่ผ่านผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เห็นแล้ว ที่เกิดขึ้นมานั้น่ะเป็นที่ประทับใจเป็นที่ประชับใจเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายพ่อค้าเคยเห็นอะไรบ้างคือสมัยนั้นมัน ไ, ไม่มไม่มีโทรทัศน์วิทยุสื่อสารอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้มีโทรทัศน์มีวิทยุบอกกล่าวสื่อสารกันดังไปทั่วโลกแต่สมัยนั้นต้องสืบข่าวจากพวกห่อค้า ว, วานิช เขาเดินทางไกลเนี่ยพวกบางคนก็พอกค้าม้าบังพอกค้าช่างบังพอกค้าวัวควายบังพอกค้าเกวียนขายไอ้สัพสินค้าพวกผ้าพวกเพชรนินจินดาพวกเงินทองอะไรจังทุแทแต่เขาจะขายกันนัานนำไปขายกันแต่นี้เขาก็ถามว่าผ่านเมืองนั้นมาเป็นยังไงเมืองนั้นเป็นยังไงแต่นี้พระมหากระวินท่าก็ถามพวกพอค้าวานิช หัวหัวหน้าพ่อค้าเขาบอกว่าสิ่งที่แปลกก็คือผูพ้พวกข้าไปเจ้าผ่านมาที่กรุงสวัสถี เ, เขาบอกว่าคนทั้งหลายนับถือเรื่มใสในมหาปริสารลักษณะนับถือพระธรรมคำสอนออของพระพุทธเจ้า เ, เขาว่าพระพุพทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลก พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพอพระมหากระินได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกต่นนั้นและให้เขามันซาไปทั้งทั้งตัวเลยลืมสติเลยคล้ายๆกัาคำนี้มันคล้ามันติดพบติดชาติมานนมนานอพอลืมขึ้นมาถามว่าเมื่อกี้นี่พูดอะไรกัน หวหน้าเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกสลบทไปอีกว่างานเออะอะพอครั้งที่สามตั้งสติขึ้นมาอีกพูดอะไรกะบอกว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกกําลังประกาศัธรรมอยู่พอว่าทถอนะโอ้พระพุทธเจ้าอบัติขึ้นในโลกแล้วอืพวกเราก็เลยเอาเงินให้หนึ่งแสนกับหาปณะ ให้แก่พ่อค้าเา้าเงินให้หมอบให้เลยแล้วมีอะไรอีกพ่อค้าแบบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกก็หูดับไปอีกเหมือนกันถึงสามครั้งมอบทองเงินให้อีกแล้วก็มีอะไรอีกพระอริยสงศ์สาวกของพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกก็หูดับไปอีกอย่างที่ว่าเออไอ้ค้าว่าอดีตชาติาน่ยท่านเคยพบกับพระพุทธเจ้า ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพระอริยะสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ท่านมาได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเพราะยังไม่ถึงการเวลาของท่านแต่บัดนี้พอมาได้ยินคราวนี้เป็นเรื่องของเก่าเป็นเรื่องที่ติดพบติดชาติมาท่านก็เลยภาคภูมิใจได้ดีอย่างยิ่งที่ได้รับฟังจากพ่อค้าจากนั้นท่านก็ปะพวกเราไป ใครจะไปด้วยกับเรา๋าพวกทหารหารทั้งหลายกับพระองค์ไปที่ไหนไปด้วยนะจากนั่าจะฉี่ม้าตบึงเลยเออจึงได้ไปกราบพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนานันะพูดอย่างโลภรัตนะจากนั้นท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งห้าร้อยแต่ในนางภรรยาอัคคมเหตุสีของมหากระบินเรื่องตามหา หัวอีกบอกไปที่ไหนมาพบพ่อค้ามากก้าเขาพ่อค้าม้าเล่าให้ฟังเออเขาก็อย่างที่ว่าเหมือนกันให้ข้าบทมันจิตใจรวมสงบเปิ้วเข้าไปในลึกเลยมันไม่รับรู้อะไรเลยเออมันจิตใจรวมเน่งเลไอย่างนั้นแตะมันดิ่งลงไปเอเป็นอัปปนาสมาธิลักษณะอย่างนั้นน่ะเออพอออกถอนออกมาจากสมาธิพูดอะไรก่อน เหมือนกับพระไม่เหมือนกับพระมหากบินผลสุดนางนี่ก็พาบริวารตามพระสวามีไปเหมือนกันแล้วก็ไปถึงได้ฟังธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าก็ได้บวดเป็นภิกษุณีทั้งห้ารนี่แหละอันนี้คือท่านมันเป็นอุปนิสัยติดพบติดชาติมาแต่อดีตชาติพอมาถึงชาติที่ท่านจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลพอได้ฟังชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นะ ก็เกิดศรัทธาอย่างซึ้งเพราะเหตุไรเพราะอุปนิสัยเก่าแก่ดึกดาบันมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกองคอ์คงจะมีอุปนิสัยเคยบวชแล้วก็เคยปฏิบัติธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาแล้วหรือว่าอย่างน้อยก็ได้เป็นได้บวชได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาได้นับถือเลื่อมใสในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาก่อนหน้านี้แล้ว พวกเราจึงคราวนี้จึงได้มาปวดอวขอท่าขอคราวนี้ก็ขอให้ทำบุญต่ออีกนะสร้างบารมีต่ออีกให้บาเพ็ญต่ออีกไม่เสียหายมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในจิตในใจของพวกเราถ้าเราออกนอกลูก่นอกทางด้านนะั้นความจิบหายจะต้องเกิดกับเราแน่นอนแต่ถ้ามาพวกเราอยู่กับศีลกับธรรมอยู่กับหลักพระธรรมวินัยแล้ว มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่เป็นอย่างอื่นเราเสียเวลาเวลาน้อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรอันนี้คือส่วนหนึ่งขึ้นเราเรามาบําำเพ็ญกุศลมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเข้าสู่จิตใจแต่เราก็ทานก็นให้อภัยทานการสงเคราะห์อนุอเคราะห์การแนะนำสั่งสอน ล้วนแล้วจะเป็นทานะอีกเหมือนกันทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเรามาคราวนี่มาเรื่องภาวนาซิมากกว่ามาบับเป็นภาวนาเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองนะพระลูกหลานทุกอง์ให้เป็นผู้มุ่งมั่นให้เป็นผู้ตั้งใจปลูกศรัทธาไว้ในใจทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงแต่มันทำทดแทนกันไม่ได้เหมือนกับทานอาหารอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้า การทานอาหารการออกกําลังกายการศึกษาการภาวนาปฏิบัติตัวเองต้องทําเองจะให้ใครทําถ้าตัวเองไม่ทําใครจะทําให้เราเราทําไม่ได้เขาทาให้แทนเราไม่ได้ใครจะทึกทานอาหารแทนเราไม่ได้เราต้องลงมือปฏิบัติเองบําเพ็ญเองนั่นแหละการบำเพ็ญก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเหมือนกับเลี้ยงอาหารเด็ก เด็กมันยังไม่รู้คุณค่าของอาหารมันกูเวียงหัวเวียงซ้ายเวียงขวาแต่พอมันรู้ว่าอาหารมีคุณประโยชน์สําหรับตัวของเด็กแล้วเ อ, อเด็กอาปากป้อนยังไม่ทันร้องให้อีกต่างหากเพราะมันหิวนะต่อไปก็เลกเด็กก็ได้รับคำํำเลี้ยงดูจากนั้นเด็กก็รับใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยรู้จักวิธีการ ทานอาหารวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองผู้ใหญ่ไม่จำเป็นใช่ไหยเพราะเป็นเด็กขึ้นมาแล้วมีแต่ประครับประคองดูห่างๆเองเขาทำเองนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละอันดับใหม่ๆนี่พวกเราบวดเข้ามาเนี่ยหลวงพ่อก็จะต้องเคี่ยวตรงเข็มจะต้องบอกจะต้องกล่าวจะต้องปลูกศรัทธาให้แกพวกพระลูกพรลานทั้งหลายให้ได้ศึกษาถ้าผู้มีอุปนิสัยเก่าแก่ มาดั้งเดิมพอได้ยินหลวงพ่อพูดได้แต่ยินทำพระเทศนาวงหลวงปู่หลวงตาพวกเราก็เกิดจัดทธาลงมือประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังพวกเราก็จะรู้จริงเห็นจริงได้แต่พวกเราฟังแล้วก็เฉยเฉยไม่เกิดจัททานมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันพูดในฟังแล้วก็เฉยม่มันไม่เข้า ไม่เข้าไม่ซึมลึกเข้าสู่จิตใจแต่ถึงยังไงให้พวกท่านทั้งหลายเมื่อเข้ามาถึงจุดนี้แล้วขนาดนี้แล้วพวกท่านทั้งหลายควรจะฝึกหัดดัดนิดสยัยเอาจริงเอาจังให้รู้จริงเห็นจังรู้จริงเห็นจังหนูสิเป็นยังไงแต่ละวันอย่าไปนั่งคิดคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนคิดถึงคนนั้นคนนี้มันไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นจะไปคิดทําไม เรามาอ ย, อยู่ถึงจุดนี้แล้วเรามาบวชไม่ใช่เราเป็นฆราวาสเราต้องห้ามใจของเราเราต้องเด็ดขาดเพราะพระพุทธเจ้าพาเด็ดขาดนะพระโต้งบอกว่าเมื่อเสด็จออกจากเวียงวังเราจะไม่หวนกับมาเวียงวังโดยเด็ดขาดเราจะตายดาบหน้าศิตัตถะพพุทธเจ้ า, าของเราท่านเอาอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราเนี่ยเอ้า มันจะตายก็ให้มันตายสามเดือนข้าจะไม่คิดถึงบ้านเด็ดขาด เ, เมื่อถึงสามเดือนแล้วจะค่อยยังค่อยยังข้ายังค่อยคิดใหม่จะคิดอย่างไรแต่ช่วงนี้ข้าจะไม่ตามใจกิเลสแน่นอนกิเลสเนี่ความคิดไปทางต่ําอย่างที่ว่าเนมันใจใจไม่สู้นะั่นและตัวกิเลสอยู่ในแฝงอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นเราเอาทำเขาไปเขียออกจาก เก้าอี้คือใจของเราเนี่ยเอาทำเข้าไปความเด็ดเดี่ยวความอาถรนความมีศรัทธาทั้งตั้งใจนั่งภาวนานั่งให้นานเราทําอย่างอื่นเราจังทำได้แต่เรานั่งภาวนาเนี่ยชั่วโมงสองสามชั่วโมงสี่ห้าหกชั่วโมงไม่ได้เหรอเนี่ยเราต้องพยายามนั่งปวดก็ตั้งเอ่มันจะเป็นไรไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธเราจะได้เห็นความทุกข์อืการเป็นอยู่ความทุกข์ของร่างกายอืม เมื่อใจจะขาดยิ่งทุกกว่านี้อันนี้ยังไม่ทุกขนาดนั้นนะใจนะเยเราต้องสู้ขนาดนั้นแหละจึงจะเห็นธรรมนะถ้าว่าทําไม่ทํำไม่อทําไม่สุดขุดไม่ถึงเนะ่ยไม่ได้นะเอทําไม่สุดขุดไม่ถึงกนะ็ไม่ได้ไม่ได้ทองมามือนกันแต่มีแต่เกี่เกียรอยู่ข้างบนเนะี่ยทองมันอยู่ดึกลงไปเพราะนั้นเราต้องทําให้สุดสุดแล้วก็ขุดให้ถึงจุดหมายปลายทาง ครูไหว้าจานท่านสอนอยังไงนั่งสมาธินะนั่งเหมือนพระประธา น, น่นี่ยเวลาเราก็ไหว้พระสกรอย่างไหว้พระเมื่อกี้เนี่ยเอาขนาดนี้ก็นับ ว, ว, ว่าดีแล้วไหวยพระยอ่อจากนั้นก็กราบพราะกราบแล้วก็หันหน้าไปทางเอหมอนของเราแต่นั่งสมาธิจะเป็นนองนั่งที่เก่านั่งบางทีก็หันหน้าไปทางหนึ่งบางทีก็หันหน้าไปทางหนึ่ง ในกุฏิเล็กๆของเราเนีอยบางทีก็นั่งข้างนอกถทามันง่วงกบอกว่านั่งข้างนอกถ้าไม่มียุงถ้ามียุงแบจุดยากันยุงใชไหล่มันแล้วมียาทาหรือว่าเข้าไปในห้องเราก็นั่งล็อกกุญแจล็อกล็อกกอนให้ดีไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะมีอะไรเข้ามาได้เราก็นั่งอยู่ในห้องเเวลาจะนั่งอนะเอาผ้าเอหม่มหรือผ้าปูนั่งปูงซะ จากนั้นก่นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายอย่างพระประธานจากนั้นประนมือพอขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วปนมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนคือไหว้ครูคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นไหว้ครูก็คือใจเราเราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาอยู่ในใจพวกเราระลึกถึงพระธรรมพระธรรมเขาอยู่ในใจ พวกเราเราลึกถึงพระสงฆ์พระสงฆ์ก็อยู่ในใจจากนั้นก็พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงสามจบจากนั้นเอามือลงมือขัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นเราก็จะแผ่เมตตาก่อนก็ได้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วตจโลกธาตุขอขอให้มีความสุขอย่างที่เขาไปเจ้าต้องการอย่างที่เขาไปเจ้าปรารถนาอันนี้คือเป็นภาษาใจเรานึกในใจใค้ว่าทําใจให้ของเราให้อ่อนน้อมทําใจใของเราไม่ให้มีพิษมีภัยทําใจของเราไม่ให้ผูกพยาบาทอาฆาตกับใครทั้งหมดใจของเราให้เป็นกลางทําใจให้ว่างาเราไม่ผูกอาฆาตกับใครๆทั้งหมด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 ให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอย่าไปส่งจิตออกไปข้างนอกอย่าไปส่งจิตไปถึงอดีตจะไปส่งจิตไปในอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ทีปลายจมูกนั้นพทุพโทโธพุทโธนี่แหล ะ, ะเขาว่าสติสัมปชัญญะให้มีสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวอยู่ รู้อยู่ที่ปลายจมูกไม่ทสงจิตไปในอดีตแม่สรงจิตใจไปนในอนาคตอันนี้ก็คือวิธีการเบื้องต้นจากนั้นก็ถ้าเรามันยังเพิดไพลไปอยู่ได้อยู่เนื่องออกอยู่ให้เราบริกรรมนะบริกรรมทิฏฐิบัณฑ์พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสามทับตัวกับตัวผู้รู้นะั่นแหะตัวที่มันรู้รู้อย่างนะั เออไม่ให้มันออกไปที่ไหนให้มันพุโทโธพุทธโถพุทธโถพุทธโถพุทธโถให้มันอยู่ในนั้นเลยทีนี้นี่แหละอันนี้ก็คือบ่ภาวนาเหมือนกันเออแต่ถามว่ามันยังเผลอไปอีกอยู่เอ็มันทํำมาเผลอมันหลุดได้เวลาอย่างไงเมื่อพยายามตั้งสติให้เข้มแข็งก็ดีเออตั้งสติให้เข้มแข็งก็ดีแต่จะไปกดจะไปกลึงนะเพียงแต่ว่าตั้งสติให้เข้มแข็งจะออกเข้าไปดูเออเดี๋ยวทีทดลองนับดูเถ นับดูหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้านับสิบไปถึงร้อยถ้าถึงร้อยมันเผลอไหมถ้ามันไม่เผลอถึงใช่ได้เพราะว่าใจของเรากําลังเริ่มแล้วเนียเพราะมันไม่เผลอแต่โดยมากถ้ามันเผลอถี่ยโดยมากมันเผลอบ่อยเลยพอหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ใจมันเผลอไปละมันหลุดไปละ ใช่มันเหมือนกับลอยๆอันนั้นเราจะไปชลาดใจนะจะไปนอนใจนะแปลว่ามันสติไม่ไม่ชัดจะไม่อยู่กับตัวแร้วไม่ดีแล้วนะเราต้องพยายามกําหนดลมหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองถ้ามันจะหลุดมันจะหลุดจากไหนมันหลุดไปคงจริเวลาหายใจเข้านเป็นเลขขี่หนึ่งเวลาหายใจออกเป็นเลขคู่สองหจายใจเข้าเป็นเลขขี่สามหายใจออกเป็นเลขคู่สี่ ไปถึงร้อยกู่กับขีกู่กับขี้ไปเรื่อยนะแต่มันจะออกนะมันจะหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่นะท่านนี่หายใจเข้าเป็นเลขแปดหายใจออกก็เป็นเลขเก้ามันผิดแหละท่านนี่เดินผิดทางนะทั้งที่เราก็หนดขาขวาพุธขาซ้ายโทบานนี้มันเปลี่ยนกลับกันเนะ่ยมันกลับเป็นขาซ้ายขาซ้ายพุทธขาขวาขาขวาโทละท่าน นี่แหละมันเปลี่ยนกันมันสลับกันแต่แล้วว่าเราเผลอแล้วใช่ไนหะเราเผลอแล้วกลับมา อ, อีกนี่แหละให้พวกเราสังเกตนะเวลาการภาวนานั่นแหละคือเป็นปการภาวนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พระลูกพระหลดัดทุกองนะอันนี้เอาเพียงแค่นี้ก่อนเออพระบริกรรมให้ได้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าพวกเราใจอยู่กับพุทโธพุทโธ ท, ทั้งวี่ทั้งวันใจสงบรวมไปแล้ว เดี๋ยวหลงพ่อจะสอนวิธีการเดินยังไงเดินวิปัชนาจะได้จะเดินไปอีกนะมีเก้าอีกเก้าหนึ่งจะเดินจู่วิปัสนาเดินอย่างไรอันนี้คือสมถะคือพยายามทำจิตใจให้สงบให้เป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจของเราสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละความสุขพวกเราจะรู้บุญคุณของพระพุทธเจ้าอจิตใจเป็นคณิกะอุปจาระอปปนาสมาธิแล้ว น, นะใจของเรานิ่งแล้วแตเนี่เราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าทําไมท่านถึงได้ศึกษาถึงท่านจะได้แนะนําพวกเราพอเราประพฤติปฏิบัติดูแล้วโอโ้จิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งเป็นอย่างนี้เองร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจของเราตัวผู้รู้เนี่ยเป็นอันหนึ่งเห็นได้ชัดเลยร่างกายกับใจเนะี่ยร่างกายนี่เป็นรูปประธรรมแต่จิตใจนั้เป็นนามธรรมเราเห็นด้วยตนเองจริงๆ เมื่อจิตใจสงบแล้วจิตใจไม่คิดไปในอดีตไม่จิตใจไม่คิดไปในอนาคตใจของเราทรวมอยู่ในปัจจุบันที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังประมังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีโอ้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆริงเรายอมรับนี่แหละพวกผู้ปฏิบัติยอมรับในภาคปฏิบัตินะจากนั้นจิตใจก็ฝังลึกเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครร่างกายเนี่แตกตายสลายแน่นอนแต่นามธมทําคือจิตใจดวงนั้นแ่ะตัวที่รูร้ๆนั่นนหะมันจะไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นได้เพราะฉนั้นเรารู้ได้ด้วยตนเองเมื่อเราภาวนาเพราะฉนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านภาวนาท่านจึงเชื่อมั่นว่าตายแล้วไม่สูญเนอตายแล้วเกิดอีกอร่างกายเนี่ตายแตกสลายแน่นอนเอาไปเผาไฟทิ้งแน่ แต่ส่วนานามธรรมจิตใจนันนะออกจากร่างนะเดี๋ยวนี้นะ่ะมันใจนะเหมือนกับคนเหมือนกับรถกับคนขับรถนะมันไม่ใช่อันเดียวกันนะคนขับรถนั่นคือใจนะแต่รถนั่นคือร่างกายนะไม่ใช่อันเดียวกันนะเราภาวนารูแยกตัวให้ดีกำหนดตัวให้ดีเมื่อเราจิตใจของเรารวมสงบลงไปแล้วเราจะเห็นได้เราจะรู้ได้ด้วยตนเอง นี่แหละในพรรษานี้ทางว่าพวกเรานะลูกหลานพระลูกหลานทุกองภาวนาแล้วจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งได้นะับว่าได้กําไรได้กําไรในการบวชได้กําไรในชีวิตนะแต่ถ้าว่าพวกเราบวชเข้ามาแล้วสมาธิก็ยังทําไม่เป็นอะไรก็ทําไม่ได้หลวงพ่อวาดนั่นแหละขาดทุนนะสามเดือนมาอยู่ขาดทุนเพอๆยังประมาทพระพุทธศาสนาอีก ประมาทครูบาจารย์อีกต่างหากเพราะอะไรเพราะตัวเองทําไม่ได้จิตใจไม่สงบเพราะนั้นขอให้พระลูกพระหลานทุกองนะหลวงพ่อเองก็เป็นห่วงวันนี้จึงได้นัดประชุมพราว่าจะว่าปรถมนิเทศก็ใช่วันนี้พอหลวงพ่อออกไปแต่เช้าอย่างพวกลูกพระลูกพระหลานได้เห็นไปวางศริระเลิกโรงพยาบาลศูนย์อุดรเสร็จทินมาแล้วกลับมากระคำคำ หลวงพ่อก็ได้นัดประชุมเพื่อเป็นการแนะนําแนวให้แก่พระลูกพระหลานถ้าอยู่ห่างเหินเกินไปก็เด่นๆดันๆ้านคนไม่ได้รู้จักทําคําสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีประโยชน์ปีคุณค่าอย่างไรขอให้พระลูกพระหลานตะอกตั้งใจนะบวชมาคราวนี้ให้ใส่ใจเราก็รู้แก่ใจว่าเราจะอยู่ยังไงการอยู่ด้วยการให้ระมัดระวังนะ อย่าไปล้ออย่าไปเล่นกันอย่าไปมีเรื่องมีราวต่อกันถ้ามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นแล้วนะ่ะหลวงพ่อจะไม่ใช่เป็นเครื่องเรื่องของเล็กน้อยนะหลวงพ่อถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวในวัดของเราหลวงพ่อจะจัดการเลยนะเอียประชุมคณะสงฆ์จัดการเลยถ้าว่าใครก็าตามเนะี่ยปล่อยหมัดปล่อยมวยเออด่ามาลงค์ฉงเฉงขึ้นมาแหละไม่ได้นะอหลวงพ่อจะเรียกประชุมสงฆ์ทันที ไม่ว่าท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งละ่ะออกจากวัดทันทีเลยาทะเลาะกันต่อยกันตีกันนะดวงตามหาบัวท่านให้ออกจากวัดทั้งคู่นะองค์หนึ่งองค์หนึ่งเป็นคงต่อยเขาตีเขาองค์นั้นเป็นตรงต้องเป็นตร ง, ตร ง, ตรงออกจากวัดอะองค์ที่ไม่องค์ไม่ตีเนี่ยเอออยูอ่เพราะว่าไม่ได้ตีไม่ได้ไม่ได้ทําร้ายเขาแต่องค์ที่ทําร้ายคนเขาตรงนั้นออก นี่แหละให้พวกเราทุกอง น, นะอันนี้มาตรการเด็ดขาดของพระกรรมฐานเรามาอยู่วัดวาศาสานาเรียนชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเขาใสบาทยันทุกวันพวกเราก็มาบวชและมาเพื่อจะละกิเลสราคะโทสะโมหะไอตัวกิเลสโทสะเนี่ยที่มันอารมณ์มันร้อนไปทุบไปต่อยไป ต, ไปตีคนอื่นเขาเนี่ยอันนั้นแปลว่ากิเลสโทสะเรามาเพื่อละกิเลสทําไมเราจะมาสะสมกิเลส วันนั้นขอให้พวกลูกพระลูกพหลานทุกองนะให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยนะให้ใจยเย็นนะให้ภาวนา น, นะให้มีเหตุมีผลนะออการอยู่ด้วยกันต้องมีเหตุมีผลอย่าไปล้ออย่าไปเล่นกันให้รักกันเมตตากันพึ่งพาอาศัยกันมีอะไรก็ช่วยๆกันจัดช่วย ๆ, ๆกันทําหลวงพ่อก็อยู่ในฐานะหนึ่งหลวงพ่อก็ดูแลพวกลูกพวกหลานเหมือนกั น, นไม่ใช่อยู่เต้นเต้นดันดั น, น, นหลวงพ่อมองแล้วมองอีกดูแล้วดูอีกเห็นไหมหลวงพ่อ ไปไกลกลับมาแลยหลวงพ่อเหนื่อยไหมก็ต้องเหนื่อยอายุหลวงพ่อขนาดไหนแต่หลวงพ่อก็ยังมาเพื่อแนะนําบอกกล่าวให้แก่พระลูกพลานเป็นห่วงอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าพวกลูกพระลูกพระลานไม่ได้ยินได้ฟังจ ะ, ฉะเฉิียวฉลาดขึ้นมาได้อย่างไรมันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกันนาไปคิดนําไปพิจารณาไตรตรองเหตุและผละเกิดความรู้ จากนั้นก็ศึกษาเข้าไปอีกทีหนึงหนังสือปูบาอาจารย์บ้างแต่หลวงพ่อเขาไม่แนะนำให้อ่านทั้งวีทั้งวัดหรอกหนังสือนะแต่ก็ควรจะอ่านควรจะศึกษาธรรมะควรจะฟังกลางคืนนะน่าจะฟังเทศตรงตาทุกคืนนะวันละกันจะได้ขาด น, นั้นดีมากนะเพราะเาเราเข้ามาเพื่อการศึกษาเราไม่ได้มาเพื่ออยู่เฉยๆเนยะนี่ชีวิตนักบวดต้องเป็นอย่างนี้แหละเอ๊ เราเข้ามาบวชหน้าเบื่อจริงๆไม่ได้ทําอะไรนะั่นแหะอันนั้นเป็นแบปวดเข้ามาแ ล, แล้วไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองหน้าที่ของตนเองก็คือให้ภาวนาให้ดูจิตใจใจของเราคิดเรื่องอะไรทําใจให้สงบจากนั้นก็ทําใจให้เบื่อหน่ายคลายเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระอราหารันนั่นแหละหน้าที่ของพวกเราที่เข้ามาบวชนะเอทําไม่ให้ทําการทํางานเหมือนกับคารวะแต่ทําการทํางานนี่ก็ เป็นการทำงานเพื่อที่อยู่อาศัยของพวกเราก็ทำบ้างแต่ว่าท่านม่ดเน้นจุดนั้นหรือว่าจุดนั้นเป็นเป็นเป็น เ, น เ, นเรื่องมันจะต้องทำแต่ว่าไม่ใช่หัวใจเหมือนกับพวกเราเนี่ยทำงานทำการเพื่อหาเงินอยากทำอะไรก็ได้เพื่อหาเงินอันนี้ผมเหมือนกันเราทำอะไรก็เพื่อหาธรรมทำเข้าสู่จิตใจธรรมะหลักเหตุผล ภาวนาตามจิตให้สงบแต่พวกเราไม่ได้ทํำเลยอยู่ก็ไม่รูจะอยู่อย่างไงบิดนบาบก็ไม่บิดนบาบปัดกวาดก็ไม่ปัดกวาดเราก็ต้องทํากิจวัดข้อวัดแต่การทําเหล่านั้นก็เพื่อเพื่อคุณหนุนเพื่อความสาภาสุขในการเป็นอยู่ร่วมกันพวกเราปฏิบัติถูกแล้วนี่จะความเจริญ่งเรืองนะ การพูดกันแ น, แนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาข อ, อยุติไปเปลี่ยนตอนนี้ก่อนนะ